สุรุสุรุวะหมวดว่าด้วยการชันดำสูตร ส, สิขาบทที่หนึ่งเรื่องพระรูปหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาพพุทธเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งปรุงน้ำนมถวายสงฆ์ภิกษุทั้งหลายดื่มน้ำนมเสียงดังสูดสูภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า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 ปารูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภิกษุใดพึงธรรมต้องอาบัตรทุกกฎทีนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วกระโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากแล้วจึงราบสัง่งให้ภิกษุทั้งหลายยกรรสีขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติหนึ่งพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ฉันทำเสียงดังสูด้ดเรื่องพระรูปหนึ่งจบ สิกขาบทวิพังพิกษุไม่พึงฉันทําเสียงดังสูดสู้พิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันทําเสียงดังสูดสู้ต้องอบัตทุกฏอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นพิกษุไม่จงใจสองพิกษุไม่มีสติสาพิกษุผู้ไม่รู้4ี่พิกษุผู้เป็นไข้5้พิกษุมีเหตุขัดข้อง6กพิกษุวิกลจริต7จพิสูุต้นบัญญัติสิกขาบทที่หนึ่งจบ